อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอระบาดคือ993 1. พิคชนีต้มข้าวต้มจัดน้ำปาหน้าถวายสงฆ์ 2. พิคชนีหงข้าวถวายสงฆ์ 3. พิคชนีทำการบูชาเจดีย์ 4. พิคชนีต้มข้าวต้มหงพัตหารหรือทำของเคี้ยวซักผ้านุ่งผ้าห่ม หรือผ้าโพกให้วัยาวัจกรของตนห้าพิษณีวิกลจริตหกพิษณีต้นบัญญัตสิคราบทที่สี่จบ